ตามการตามเวลาเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติอันที่พวกเรากำลังทำอยู่เราก็สร้างสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเพื่อหล่อหลอมวัดปฏิบัติให้งอกงามหล้งจาเราเ <c oughs> จวนาทำนาใีดินดีมีน้มดี ใน้คุยทีดีดูแลรักษาอย่างดีมันก็งอกก็งามไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา <c oughs> ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแม่้นว่ามันจะมีสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้น <c oughs> เกี่ยวกับเหตุปัจจัยต่างๆเราก็เพียรพยายามแล้วก็กยพยาพยามอย่าให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันไม่ดีไม่านามชีวิตต้องสำรวมระมัดระวังให้เกิดความอบอุ่นใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษามิตรผู้ประมาท ร, รักษาสมบัติทรัพย์สินของมิตรผู้ประมาท ปองกันมิทธุปมาต์มันนี่แหละ <c oughs> เรียกว่าการละยานธรรมกนรละยาณมิตรถ้ามีกนรละยา น, า น, รยานธรรมกนรละยาณมิตรก็พาไปถึงมรรคถึงผลได้เพราะสิ่งที่เราทำมันมุ่งเข้าสู่เป้าอันนั่นอยู่ ยึงพวกเราได้จเจริญสติใน้ภาวนาได้ไม่ลูกไม่แบบได้ไม่วัดปฏิบัติเป็นลูกเป็นแบบจริงๆเป็นวัดว่าอารามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าวสวดมนต์ไหว้พระม่แม่คีเราเป็นแม่คีจริงๆเราไม่วัดปฏิบัติแบบแม่คี ในพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่วัดปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าจริงๆสิ่งที่เราทำก็เป็นเรื่องจริงในกายในใจก็เป็นจริงทำดีก็ทำได้จริงๆและความชั่วก็ละได้จริงๆมีสติก็มีสติได้จริงๆเวลาใดมันหลงมีสติรวมหลงก็หมดไปจริงๆ เราทําในสิ่งที่มันเป็นจริงทําสิ่งที่มันเป็นได้ปฏิบัติได้เราก็ให้ผลได้ทันทีเห็นเราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยยกมือขึ้นรู้สึกตัวมันก็รู้จริงจริงไม่ต้องรอคอยอะไรมันรู้ได้ทันทีรู้ได้ทันทีเราสร้างตัวเนี่ยมันไม่หนักมันไม่เหมือนเราไปเจ็บเอาสิ่งเอาของไปซื้อของตลอ ตลาดต้องหอบต้องหิ้วมาราคาต้องแพงเกี่ยวข้องกับปัจจัยกับเงินกับท้องต้องขอคนนั้นต้องเอาคนนี้ต้องหามาต้องไปซื้อไปหามามันจึงได้ของสิ่งที่เราต้องการของที่เราได้มันจริงจริงแบบสมมุติไม่ใช่จริงแบบประมาทการเจริญสติมันจริงแบบประมาทไม่ต้องหอบต้องหิ้วมันเป็นอริยทรัพย์ นี่คือของเกิ่งของที่หอบที่หีวเป็นวัตถุภายนอกจกิ่งแบบสมมตุติไปไม่ถึงไหนหายสูญหายเสื่อมคลายไปได้แต่ว่ากิ่งแบบประมัดเห็นความรู้สึกตัวนะ่ยไม่มีวันสูญหายไปไหนไป ต, ตัวเราอยู่ตลอดเวลาให้มีให้มีบ้างอย่าให้ขาดแคลนสับภายนอกซับภายใน เพราะนั้นสิ่งที่เราทำมันในสาระ <c oughs> เป็นของที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไรสัมผัสดูเอาสร้างให้ไม่เอาเองไม่แล้วรักษาไว้เอาเองใช้เอาเองอนะ ใช่ความรูดจักตัวใช่ความรูดจักตัวความโดจักตัวก็รับใช่แต่ป้องกันขนเอาปัญญามาขนเอาความชอบมาถ้ามีปัญญาไม่มีสติปัญญาเคโกไมีปัญญาก็หลอกคนได้หดโคตรโกงได้แต่ปัญญาแบบสติเอามาสติเป็นผู้จับปัญญามาใช่ มันเจ้าของเจ้าของแห่งปัญญาสติเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยแนละ้วแต่สติได้จับเอาอะไรมาใช่ถูกต้องชอบทำแต่มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่หรอกปัญญาแบบลูกโล ก, โลกนะไม่ใช่ปัญญาแบบพุทธะนะแล้วเราสร้างมันมันมีมันก็ใช่มาไว้ สตินี้มาไว้ม่ามีจำเป็นจะใช่อะไรมาไว้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพลังร่วมทำให้เกิดความสำเร็จในเลือกของปัญหาความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งน้าราคะความอิจฉาภยวาทความทุกข์ตงหลายต่างปวงเป็น มันเป็นกองทัพทำเพื่อปราบเพื่อปรามเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นอาธรรมให้พ่ายแพ้สมรู้สึกตัวมันเสือ่อนั้นต้องมีสิ่งที่ถูกและต้องมีสิ่งที่ผิดถ้ามีสิ่งที่ผิดไม่มีสิ่งที่ถูกในโลกเมก็ระโยไน์ได้เราก็สร้างสร้างแบบนี้นเหมือนพระสิตถะมองโลกนะ เห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายแล้วก็มองคู่ของเขาของโลกความไม่เกิดก็ไม่ความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายก็อมองแบบไม่ใช่มองแบบคิดมองแบบทำมองแบบประกอบมองแบบทำทำดูทำอย่างไรอย่างไรก็ทงหมด ันมาเข้าสู่การบำเพ็ญทางกิจเนะหมือนพวกเราที่ทำอยู่นี่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการเจริญวิปัสสนารุ่นรุ่นที่เราทำอยู่นะแม้วางทีเกือบจะไม่มีอะไรเลยปแบบตุนดว น, ดวนทิ้งหมดเลยบางทีน ะ, ะไม่มีวิธี ร, รมอะไรมีแต่การเจริญสติลุน่ลนรุ่น เหมืนกับเซนเป็นเซนแบบแบบสดๆนะไม่ใช่เซนแบบตาหรับตําลาจับมาใช้ทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวทันทีเวลาอดไมันหลงรู้สึกตัวทันทีะเป็นเซนทีเดียวเวลามันสุขเห็นมันสุขน่ะเซนแล้วเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์นะเซนแล้ว เราวันโกรเห็นมันโกรธเซนแล้วมันขนาดตันมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล่ามันง่วงมันอะไรต่างๆเห็นมันเห็นมันเห็นมันเสซนคือวัยมาวัยไม่ต้องมีเหตุมีผลไม่ต้องมีอ่อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมาก่อนเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันไว้ เอาไว้เซนไปไว้ไว้ลบไปไว้ปรับไปไวู้กก็ถูกไว้ไว้อยา่าช้าถ้ามันผิดก็เปลี่ยนความผิดไว้ไว้ถ้ามันทุกก็เปลี่ยนความทุกไว้ไว้มันไว้ไว้มันกำกับกันอยู่มันกำกับกันอยู่มันเป็นของที่สมดุลกันอยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดมีสิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลลงตัวลงตัวธรรมชาติ เป็นอย่างนั้นในวิธีที่เราฝึกผัดตัวเราอย่าไปคิดว่าเออไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไระมันมีอยู่มันมีกายอยู่นี่มันมีความรู้สึกตัวอยู่นี่มันทำอยู่นี่มันทำดีอยู่นี่นแล้วความชั่วยอยู่นี่อยู่แล้วจะไปเอาอะไรอีกจะไปเห็นแบบคิดแบบเหตุแบบผลแบบอะไรต่างๆ แบบคำพูดแบบคนนั่นพูดอย่างนั่นคนนี้พูดอย่างนี้บางทีก็มีพิธีกรรมต่างๆอะไรมากไปเห็นอะไรก็เห็นไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเห็นวัตถุเห็นไปต่างๆเห็นความสงบก็อยู่ในความสงบเข้าฌานเข้าสมาบัติเอา้าเราก็ได้ยินกันเขราว่าฌานนี่ก็คือสติอย่างยิ่ง ฌานสมาบัดกเขาตื่สติอย่างยิ่งนี่แหละเราทำอยู่นี่แหละฌานน้อยๆถ้าเป็นนิพานก็ในพานทันทีเย็นทันทีรู้ทันทีถ้าเป็นบุญก็รู้ทันทันทีถ้าเป็นบาปก็ละ บ, บาปได้ทันทีเรามีความรู้จึกตัวมันก็ลา บ, บาปมันก็ทำดีมันก็เป็นบุญเราทาจนรู้ใจไม่ฟุ่งไม่แต่งจนเย็นไปเลย ความโกรธความโลภความหลงหลงภบหลงชาติเข้าสู่มากคนในผ่านไปเลยมีญาตมีปัญญาเลยแต่ถ้าสิ่งที่เราเห็นก็เห็นเนี่ยเห็นหลักเห็นฐานของเขาเนี่ยเห็นกายเนี่ยเห็นเวทนาเนี่ยเห็นจิตที่มันคิดนี่เห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นปุศนเป็นอกุศลมันย้อมใจเราอยู่ บางครั้งก็เงวเงวฮ อ, อนอนบางครั้งก็รังเลสงสัยบางครั้งก็โผงสาดนี่เป็นอกุศลมีสติเข้าไปเป็นกุศลเราทําอยู่เราทําอ ย, อาอยู่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกก็ทําแล้วทําอีกอยู่ทาแล้วทําอีกอยู่มันจบมันก็ไม่มีใบประกาศ มันก็เป็นธรมธ ร, มนธรมไปเลยการทมเป็นธรรมไปเลยเห็นลูกเป็นน้ำไปเลยลูกน้องก็มีนี่นั่งอยู่นี่เป็นลูกคิดเป็นโน่นเป็นน้ำลูกอะไรได้ลนะ่ะเป็นน้ำเราก็ใช่มันอยู่เอาลูกมันทำดีอยู่เอานา้มมันทำดีอยู่เพราะมีการกระทําอยู่แล้วไม่ใช่วางไว้เฉย ใช่ลูกให้มันทำดีใช่นามให้มันทำดีไม่ใช่วางเฉยๆแต่วางไว้เฉยๆมันก็ข้อเอาความชั่วบ้างข้อเอาความถูกความผิดบ้างมันลูกมันนามรอให้มันเป็นไปเองมันเป็นไปได้อย่ากเราจงมาหัดมันให้มันเป็นไปสักให้มันทำดีสักการสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวไปมาลู่เจ็ตัวอยู่นี่เรียกว่าทำดี การสร้างจะว่ามีสติความรู้จักตัวอยู่นี่เราบอทํ า, าทละความชั่วทําดีแล้วทาดีละความชั่วไปในตั่วเสร็จนะเป็นลูกทำเป็นนามทำมันทําจริงๆไม่ใช่คิดเข้าถึงตัวการกระทําเข้าถึงตัวการกระทาไม่ใช่มัวมานั่งคิดเอาเหตุเอาผลเอาเหตุเอาผลแล้วก็เอาความชอบเอาความไม่ชอบ อันนั้นไม่มีการกระทําเป็นการลูคําเป็นการลูบการคําเหมือนคนมีตํารายาไม่ได้กินยานี่แต่ลูบเฉยๆต้องกินยาต้องมีคนเอาอยามาให้เหมือนหลวงพ่อไปปวดขาอยู่พุทธมนตรถามคุณหมอกําพลมียาอะไรไหยแค่ปวดพอที่จะ เดินไม่ขยะบกขย็ตหายคนพุทธมทนตรหมอบอกว่ามียาพาราเซตามอลเอาไปก่อนแก่ไปก่อนจินยาพาราเซตามอลันก็เดินขึ้นรถได้ไม่กยะบขย ե ตต้องกิน <c oughs> <c oughs> มาถึงนี่แล้วการสงสินจะไปโรงไปา้านอายุผมก็บอกว่าขอยาหมอมาให้ด้วยนะแก่ ปวดขาแล้วหม อ, อจัดยามาให้แล้วก็เอายามากินให้ปวดทันทีจนเท่าทว น, นไม่ต้องกินยยาที่แสดงออกที่สัมผัสเอาเม็ดยามากินยาเข้าไปทำบรรเทาความปวดเจรความปวดมันก็หายความรู้สึกตัว เ, เป็นตัวกระทา เอามาทาเอามาว่ายที่สายที่ใายลูกสึกตัวลู่สึกตัวเรียกว่าลูกมันทำดีนามมันทำดีใช่ให้ลูปมันทำดีอย่างต่อเนื่องใช่ให้นามมันทำดีอย่างต่อเนื่องดีคือลู่นี่แหละไปคือ ด, ดีแบบคิดแต่ลูกสึกตัวเนี่ยเป็นตัวกระทำที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นกรรมก็ในแบบกรรมเป็นกรรมแท้ๆเลยตอนนั้นแล้วก็มีเจตนาไหม สำเร็จนะกรรมาฐานเนี่ยมันมีที่ตั้งแห่งการกระทําทาสาเร็จรู้แล้วรู้แล้วเดินจงกองก็เหยียบดินพื้นดินก้าวไปรู้แล้วรู้แล้วสาเร็จรู้ที่ใดสาเร็จที่นั่นรู้ที่ใดสาเร็จในการกระทาที่นั่นถ้ามันหลงทีใดในความรู้สึกตัวสาเร็จในความหลงละความหลงใดแล้ว มาถึงความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์การศึกษาการปฏิบัติไม่ใช่หวังลมลมแรงแงตัวปฏิบัติทมวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ลมลมแรงแหงบางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรมาช่างสติีปวดข่าปวดข้อปวดแขนเหนืน่อย นั่งเศร้าน้าซีดอยู่อย่างนี้ไปใช้แล้วพอ ด, ดูโอ๊ยมันกระตือรือร้นมากความรู้สึกตัวโอ้มันจับเอามันจับเอามันลู่เอามันลู่เอาลู่เอาลู่เอา่ะมันลู่อ่ยมันลูี่เราไม่เคยทํามันตัวนี้เลยเกิดมาพอมาพิกมันลูเอ้ามันลู่จริงๆเนี่ยมันลู่จริงๆริงเรามาทําอันนี้โอ้ความลู่สุดตัวความลู่สุดตัวนลเนี่ยโอ้งานเนี่ยเป็นงาน เป็นงานของพระเป็นงานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสร้างตัวนี้เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกลูกนะมันจะรีที่ตรกหนมันไม่ปีเลยมันทําได้แล้วก็เมื่อมันลูกมันก็ไม่หลงอ่าเป็นเรื่องกออ็น้ากระตือรือร้นเราไม่เคยกินเราเคยไปเอาอนนุนไปทํามันนี่ยอะไรยังไง ถ้ามาทำตัวเนี่ยมันรู้มันรู้อมันรู้มากๆนะความหลงก็น้อยลงหรือหมดไปนอนพะมันเห็นอยู่มันดูอยู่มันรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นแต่เป็นการเห็นกับพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นพบเห็นพบเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะผ่านมาทางตาไหนในความรู้สึกตัว มันหลงผ่านมาให้เราเห็นแล้วเราก็รู้เห็นความหลงแล้ววันทุกข์มันก็ผ่านมาทางตานในเราก็เห็นความทุกข์แล้วการเห็นความทุกข์แบบปฏิบัติมันไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเข้าไปละแล้วะละสำเร็จแล้วเข้าไปละแล้วละได้สำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นขอคิดอะไรอาจารย์จะเล่าให เห็นอะไรก็ได้ถ้าเห็นสึ่งไหนมันก็เข้าไปเกี่ยวถึงนั้นทำให้สึ่งนั้นสำเร็จนะไม่ใช่ความหลงมันหลงไปฟีฟีไม่ไปไปทำอะไรเข้าไปทาเข้าไปรู้ความรู้ึกตัวมันทั้งทำทั้งรู้ทั้งทำได้ทั้งละได้ละได้แล้วทำใจแล้วความรู้สึกตัวนะเห็นอะไรไ ก, ก็เห็นได้เห็นสุข ก, ก็เห็นได้เห็นทุกข์ก็เห็นได้มันมา เห็นเวทนาไม่มีอะไรเห็นก็เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวบางทีใจมันก็คิดให้เราเห็นเห็นความคิดตัวเองแต่ก่อนแล้วมันก็เห็นความคิดของตัวเองแบบมีแบบไปกับเขาสุขก็ไปกับเขาทุกข์ก็ไปกับเขาคิดก็ไปกับเขาร่วมวงกับเขาสแสดงกับเขา เขายื่นอะไรมาเหมาือนหนังตะลวงเขาชักอะไรก็แสดงไปตามบทชักของเขาขชักให้ยกมือให้พอนรำให้กระโดดโหลดเต้นให้หัาเลาะให้ล่องให้เอาไปกับเขาพันนี้เรามาดูเราไม่ได้ร่วมขบวนแห่งการแสดงเราดูเราดูเขาเมื่อเราดูเราเก็แสดงไปไม่ได้ละครชีวิตของเราลนะ เราเห็นมันไม่เหมือนปล่อยให้เราแสดงเขาหัวลอกเขาลอกกับเขาเขาล้อไห้ก็าล้อให้กับเขาเขาทุกข์ก็ทุกข์กับเขาเขาสุขก็สุขกับเขาเขาโกรธก็โกรธกับเขาเขาโลภก็โลภกับเขาอย่างนั้นไม่ใช่ด้วปฏิบัติมันจะตัดรูปแบบตัดรูปแบบตัดรูปแบบลื่นถอนต้องปกติ ต้องมีสติปกติปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนั่นมันทำแล้วผมรู้สึกตัวมันทำแล้วมันยาแก่ปวดต้องเข้าเข้าไปแลกรับผมปวดแล้วายาเละกินเข้าไปทานเข้าไปไม่ไประงับอาการตามอาการของโรคมันก็ไม่ใช่ยามันก็เป็นแป้งเฉยๆไม่ออกลิ์ลิ์ของสติมันมีลิ์ ฤทธ์คือทําให้สําเร็จความหลงทําความหลงให้สําเร็จความทุกข์ทำความทุกข์ให้สําเร็จความโกรธทำความโกรธให้สําเร็จเป็นฤทธ์นั่นละฤทธิ์ทิคือให้สําเร็จไปเชลิศเหาเหินเดินฟ้าตอนนั้นเราคิดเราหวังเราจํามาลมลมแรงแรงฤทธ์คือทําให้สําเร็จความรู้เราก็ทําให้สำเร็จสําเร็จแล้วพลิกเป็นสิบสี่จังหวะรู้ได้สิบสี่จังหวะ ในระดัวฤทธิ์แล้วแสดงลิ์แล้วเห็นในสิ่งที่มันมีเห็นในสิ่งที่มันเป็นบางอย่างมันเป็นแบบไหนเกี่ยวข้องกับภาวะที่มันเป็นอย่างถูกต้องฟ้ อ, องปวดที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนา เกี่ยวข้องกับสุขกับทุกข์ที่มันเป็นเวทนาอย่างถูกต้องเวทนามันสอนให้เราฉลาดมันไม่สอนให้เราโง่แต่ก่อนเราโง่ไปเลยเวทนาเกิดขึ้นลับเอาหมดเนื้อหมดตัวะเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาเป็นตัวเป็นตนอยู่ในสุขเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกข์พอเรามามีสติมันไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในทุกข์มันไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในสุขมันเห็น ภาวะที่เห็นมันก็เบาเบาลงเกี่ยวข้องเป็นรูดแจ้งในเวทนารูดแกงในสุขรูดแกงในทุกนะแต่ก่อนเราไม่มีไม่มีการรูดแจ้งเลยปิดบังมืดบอดไปเลยสุขก็มืดไปความสุขทุกข์ก็มืดไปกับความทุกข์ความสุขกกความทุกข์ ก, ก็เป็นใหญ่ตลอดเวลาสแสดงเราก็ตกเป็นทาสของเขาตลอดเวลา พอมามีสติมันไม่เป็นใหญ่เลยมันเป็นอาการคิดจ้อยนะสติใหญ่กว่ารู้สึกเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันนี่มันมีฤทธิ์อย่างนี้นะไม่ไดี๋ยวความโกรธที่เรายิ่งใหญ่จะไหมก่อนเคยพูดกัอนถ้ากูดได้โกรธมันไม่เหมือนคนนี่นะไม่เหมือนคนนี่นะได้โกรธถ้ากูได้โกรธ ใหญ่ามากความโกรธแสดงออกไปแสดงออกสุดสุดฝีมือในความโกรธบางทีก็จับสัตวา์อาวุธโหดประหัดประหาร ด, ด่าทอกันฆ่ากันก็มีปิ่งเล่ฆ่ากันก็มีเตะกันก็มีตลอะวิาวาดความทุกข์ความโกรธสุดฝีมือของเขาแตกหักไปเลยมันใหญ่ฮะ พอมาเห็นแล้วจริงๆมันไม่ใหญ่มันจิ๊บจ้อยหงอยไปเลยพอมีสติเห็นเราหงอยไปเลยจ้อยไปเลยมันกับไก่ไก่ไก่โจกกับไก่กับจ่าไก่ไก่โจกมันกําลังค่มตัวเมียอยู่พอไก่จ่าออกมามันจ้อยไปเลยน่ะมันมีไก่ป่า พอไก่พวกนี้ขันพวกไก่ป่าก็เห็นมาออกม า, าตีแล้วก็พ่ายแพ้ไปเลยแล้ ก, ก็ยึดยึดพื้นที่ยึดพื้นที่แต่ก่อนมันไม่มาตรงนี้เลยไก่ป่านี่นี่มันมาแล้วมันยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ไก่พวกโจกพวกนี้ก็ถอยล่นเข้าไปนู้นไปมาถอยไปถอยมาแล้วก็ยอมรับไกไก่จ่าให้เป็นใหญ่มันก็ไม่แสดงนะจอยไปเลยแบบนะั้น เหมือนโคดถึกกับโคน้อยเวลาเราปล่อยโคไปเรี่งมันใหญ่เมื่อโคถึกออกมาก็จ้อยไปเลยอะมันยอมความโกรธมันยอมความรู้สึกตัวความโลภความหลงมันยอมความรู้สึกตัวจ้อยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะอะมันเพื่อมันเพื่อปราบปรามอกุศลกุศลมันปราบอกุศลนะ ไม่ใช่แค่พันใหญ่ของบ้านของเมืองเหมือนกับประชาธิปไตยอที่มันเกิดขึ้นงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ปราบทุจริตปราบความไม่เป็นธรรมมันก็มีอํานาจโดยประชาธิปไตยธรรมมาธิปไตยมีอํานาจ ปราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายแต่ก่อนนี่กายมันก็เบียดเบียนใจใจมันก็เบียดเบียนกายในชีวิตเราไม่มีความเป็นธรรมอะไรเลยไม่เคยเกิดความเป็นธรรมต่อกันแลยกันจนพึ่งอะไรไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองพอมามีสติเราก็มั่นใจขึ้นมาโอ้มันมั่นใจมันนั่นมั่นใจ เราจะอยู่ตรงนี้เราจะทําตรงนี้เราลูบสึกตัวเราลูบสึกตัวเนี่ยว่ายึดไต้เกิดเป็นธรรมขึ้นเกิดเป็นธรรมขึ้นเห็นอะไรก็เป็นธรรมเรื่องนั้นสิ่งที่ไม่ใช้ธรรมก็เก็เสื่อมไปหมดไปมันไม่จริงพอโกรธมันไม่จริงความทุกข์มันไม่จริ ง, ค, ร ง, ค, ว ค, รงความหลงมันไม่จริงความไม่โกรธความไม่ทุกข์ความไม่หลงมันจริงกว่านะมันจริงกว่าใช่ดูแล้วสัมผัสดูแล้วนะ ความเทศความจริงมันปฏิบัติได้นั้นให้ผลได้ทำความชัว่วดายทาความดีได้กิตบริสุทธิ์ได้กิจไม่บริสุทธิ์มันไม่เป็นธรรมกิตบริสุทธิ์เนี่มันเป็นธรรมนะมันก็เป็นไปทดลองนี้ตัวปฏิบัติเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเราไม่เข้าใจเรื่องบาลีนะ ขอให้พูดเรื่องปฏิบัติรุ่นลุนล่นวิปัสนารุ่นลุนล่นวิปัสนาคือลู่แจ้งอย่างวิเศษวิเศษจริงๆเห็นความคิดเนี่ยกว่วิเศษแล้วเห็นวันสุขเห็นวันทุกข์กววิเศษเพราะวิเศษอะไรเราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องนำไปสู่อย่างถูกต้องพ้นไปอย่างถูกต้องเห็นวิในวิคือวิเศษไยะคือ น, นำไป นำไปสู่ความวิเศษสู่ความดีอย่างวิเศษนะคำว่าวิเศษหรือพิเศษแล้วนะไม่ใช่สามัญธรรมดาวิสามัญด้วยเป็นเขาแต่งตั้งอปปชามหาเทราสมาคมแต่งตั้งเรยอว่าสามัญนะแตในายหลวงแต่งตั้งเรยอว่าวิสามัญไม่ต้องไปสอบถามนะยกให้เลย แสดว่าวิสามันพิเศษชั้นพิเศษแสดงว่าดีแล้วก็ต้องมีพิเศษในชีวิตเรานี่วิเศษพิเศษพ่นไปอย่างวิเศษนะไม่มีใครมายกให้พ้นทุกอย่างวิเศษตัวเองไม่มีใบประกาศมามามอบให้พิเศษวิวัญญาคือวิเศษพ้นไปอย่างวิเศษวิเศษโฟกั ด้ดีกว่าเก่าเบากว่าเก่ารูดแจ้งกว่าเก่าต่างเก่าพ้นภาวะเดิมอเ น, นี้ยนี่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็มีการกระทำอยู่ในตัวสิทธิสร้างสติในความรู้สึกตัวนนสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้เราก็จะได้เห็นมันมันเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆเรา บางคิดบ้างขององเาหอนอนเป็นสุขเป็นทุกข์กามราคะพยาบาทความเมตตสงสัยเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางใจอ่ยมันเป็นทางฐานของสติทางนั้นเดินลุยไปเลยมันลุยสิ่งนี่แหละมันต้องเป็นพระเอกในสิ่งเรานี่แหละถ้าไม่ได้ลุยมันก็ไม่เก่งต้องลุยบ้าง รวยอะไรเยอะแยะมันจึงเป็นพระเอกได้ต้องมีชัยชนะมันสิ่งที่ทําให้เราชนะมันสิ่งมันมันเห็นในสิ่งที่ทําให้เราได้ชนะได้สู้มันมีสิ่งที่ทํามีสิ่งเกิดขึ้นให้เราได้สู้ได้ผ่านผ่านด้านเห็นเห็นกายไงกายเนี่ยเราเป็นใหญ่ <c oughs> มันเคยใหญ่มาแล้ว มันมีตัวมีตนอยู่ในกายมีตัวมีตนอยู่ในเวทนามีตัวมีตนอยู่ในความคิด ม, มีตัวมีตนอยู่ในธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลหลงความดีเป็นทุกข์เพราะความดีก็เหมืหลงความชั่วเป็นทุกข์เพราะความชัว่วตอนนี้เรามาเห็นนะติตก็ค่อยเป็นใหญ่ค่อยผ่านค่อยผ่าน ผ่านผ่านด่านผ่านด่านไปอย่างอย่างดีนะอย่างสวยงามไม่ใช่ผ่านแบบขอรับชั้นผ่านแบบชัยชนะเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมเห็นกายจนพูดออกมาว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาพูดได้ ไม่ใช่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเพราะองค์เดียวขอพูดของเราก็มีสามารถที่พูดเหมือนพระพรุทธเจ้าได้เห็นก็เห็นในเดียวกันจนอัญญากฏัญญาว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้เหมือนกับพระองค์รู้รู้แล้วรู้แล้วจนได้นามต่อไปว่าัญญาสีวัฏโภกคณทันโยัญญาสีวัฏโภโคณทันโยัญญาสีวัฏโภโคณทันโยเพิ่มชื่อให้ไป แต่ก่อนเป็นอัญญาธรรมดาแต่ก่อนเป็นโกลัญญาโกลัญญาผาพอมาลู่เหมือนพระเจ้าหรอกพระเจ้าก็ให้นามต่อหน้าวะอัญญาสิอัญญาสิวัตถโกโกลัญโกทยโกลัญญ า, ว, ญญญญาว่หลังให้ให้ให้ให <c oughs> สมณศั์นะาจารย์พูดแล้วขึ้นตนอัญญาสิวัตโปก โลแล้วนะคนรู้แล้วผู้รู้แล้วผู้รู้ตามแล้วโคนทันโยอัญญาสิวัตโผคนทันโยอัญญาสิวัตโผโคนตันโยกนะก็ เ, เป็นเรื่องของเราด้วยความรู้ในเป็นเรื่องของเราความหลุดพ้นเป็นเรื่องของเราด้วยไม่ใช่พ้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทาได้พระพุทธองค์สอนในสิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ ผู้ปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควเห็นสมกับการปฏิบัติถ้าสิ่งไหนเราทําม่ได้ไม่ใช่คำสอนรพระพุทธเจ้าเช่นความรู้สึกตัวนี่เราเอากายมาสร้างมัาก็รู้ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละการยกแขนเข้าการเหยียดแขนออกพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้การเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลัง เอาเจ้ากระทำอย่างนี้มีสติการลมหายใจเข้าออกการสรงสบงสรงกีบอนลูกอย่างนี้สิ่งที่เป็นความลูกความลูกจากตัวอันเดียวกับพระพุทธเจ้าสอนสองพันห้าร้อยหก้อยปีอันเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นคนละอันเลยอันเดียว ตายก็เดียวเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ลายเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าพงเป็นาชาติแห่งกรัริย์สมมุติเทพเป็นสมมุติเฉยๆเป็นกริยับเนี่ยไม่ใช่ปรมาจาร์อแต่ว่าสมมุติเทพเราี่ไมื่อไรเป็นสมมุติเท พ, เ ป, มม เ, ทพเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเป็นเทพก็เป็นได้ บริสุทธิเทพอุบัติเทพเราเป็นได้แต่สมุติเทพไม่เป็นแต่บริสุทธิเทพเป็นได้สูงกว่าสมุติเทพบริสุทธิเทพบริสุทธิ์ใหญ่เป็นเทพเป็นใหญ่เราเป็นได้เหนือสมมุติอุบัติเทพเราเป็นได้อุบัติขึ้นแล้วในชีวิตเราเทพคือความเป็นใหญ่คือเทพ คือลอยบาปนี่เป็นอุบัติเทพเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราไม่ใช่สมมติเทพสมมติเทพต่างกันเป็นพระพรุทธเจ้าชาติบุตรของพรองเป็นกษัตริย์แต่ว่าเมื่อไม่มาปฏิบัติก็เป็นกษัตริย์สมมุติตายอยู่ตรงนั้นแต่พอเมื่อมาปฏิบัติเกิดเป็นอุบัติเทพขึ้นมาตั้งสามเทพ สมุติเทพอุบัติเทพบริสุทธิเทพเราเอาสักสองเทพก็พออุบัติเทพบริสุทธิเทพบริสุทธิ์อิดบริสุทธิ์จากเครื่องเส้าหมองต่างๆอันนี้เราก็มีสิทธิทำได้เหมือนกันไอ้เช่ไปมอบให้ใครมีสิทธิเราด้วยเทพเนี่ยบริสุทธิเทพปฏิเทศเป็นสิทธิของพวกเรา มรรคผลในพลานก็เป็นสิทธิของพวกเราไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแม้แต่สาวกองค์สุดท้ายเลยว่าอุปสุภัฏปริภาชกเนี่ยเป็นคนที่อาภัพที่สุดไรทีลาค่าที่อยู่โลกเต่าหล่าล้านไม่มีสมบัติพระเจ้าันไม่มียินคำว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็หวังเพิ่งพระพุทธเจ้าวิง่ง ไปพบพระเจ้าใกล้ปาริตีผ่านได้ฟังธรรมของพระเจ้าได้บรรลุธรรมเป็นสาวกเป็นพาาระหันต์องค์สุดท้ายด้วยอะาพวกเราเนี่ยนั่งรถเก๋งมาเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นคนดีในฐานะมาสร้างกติอยู่เองนนเอง ปัจจัยซื้อเข้าซื้อของช่วยเหลือกันมาปฏิบัติไม่มีอะไรก็ดีแล้วถ้ามายกมาสร้างจังหวะสิทธิเข้ากันกับคนมีเงินมีทองแล้วไปคิดว่าโอ้ยไม่ได้สร้างกติยูเอง็งโอ้ไม่ได้ทำํำเงี่ยไปคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเคเสียเวลามากับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติไปสิบวันไม่รู้อะไรหลวงพ่อเทียนก็พูดแล้วพูดอีก ผมเนี่ยทำบุญกระถินทำบุญทุกปีทุกปีสร้างบสถคนเดียวสร้างกติบวชนาบวดพระปีละหลายลูกบุญเทินบ้านทุกปี <c oughs> แต่เรามันไม่มีโอกาสทำบุญอะไรไม่ได้เหมือนหอนลวงพ่อเทียนเอ๊ะมันจะเป็น <c oughs> อหลวงพ่อเทียนท่านได้ทำบุญเราเป็นคนจนไม่ได้ทำบุญ หรือว่าเป็นสาเหตุทอดสิ่งเหล่านี้บางทีก็คิดไปเป็นหลวงพ่อเทียนปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเลยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติผมก็เทียนก็ว่าผมทําบุญแต่ถิ่นทอดพระาสร้างโบสถ์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยคนละเรื่องกันเลยทำบุญก็ยังโกรธอยู่โกรธให้แม่เทียนโกรธจริงๆริงหลวงพ่อเทียนมา ตอนจะทำบุญกระินเนี่ยแ <c oughs> ต่เรานี่ตอนพ่อเทียนก็บอกให้แม่เทียนเนี่ย <c oughs> ให้จัดทุกอย่างให้เป็นสิทธิเจ้าทุกอย่างพ่อเทียนจะต้อนรับแขกนุ่งขาวห่วมขาวไม่เกี่ยวข้องกับการรับแขกจะนั่งเป็นประธานรับผู้รับคนนุ่งขาวห่วมขาวอพอรีแม่เทียนก็มาถามเขาจะเอาค่ามอหลัง จะให้เขาเท่าไหร่พอเทียนก็โกรธขึ้นทันทีโกรธเราไปพูดเวลาแขกอยู่ตายแขกกดเอาไว้พองานเลิกลาหมดคนหนีหมดจเจ็บพ้าเจ็บของก็เรียกแม่เทียนกะ็แมเทียนมานี้อันนี้พอเทียนแเราลองพอเทียนตัวหนึ่งป่ะเราให้ป่ะเจ้าเป็นอย่างยังคอยมาถามนนะบอกแล้ว โอ้โเจ้าเนี่ยนะไม่มีสำเร็จอะไรเลยไม่ปฏิบัติไนดะ้ยังดันมาถามนะแม่เทียนก็บอกคอยก็ถามเจ้าตอานั้นเจ้ากับโกดประดันเลยกลูดเลยบอกแล้วไม่เอาเจ้าโกดเจ้าก็ทุกผู้เดียวให้แล้วเจ้าทำบุญเนาะพระเทียนเลยทำบุญก็ถิน่นเจ้ายังโกดอยู่เนาะพรเทียนเลย เอาซะเอาซะของโกดังค่อยไปออกกับเจ้าแล้วค่อยถามเท่านั้นเสร็จเจ้ากับโกดันบอกค่อเทียนโอ้ยยอมแมนแล้วแมนแล้วให้เถียนเลยค่อยเนื่อยทุกจริงๆนาะตำบุญกรถินเสร็จไปใหม่ก็ยังโกดอยู่เอาละวันนี้ตำบุลกรถิ่นเนี่ยมันยังโกดอยู่ลนะอะไรเนาะที่มันไม่โกไปเจอหลวงพ่อมหาศรีจันนั่งเดี๋ยวผมก็เทียนมี เป็นเจ้าของเรือใหญ่วิ่งแม่น้ําขงผมพ่อมหาสีจัน์มาโดยสารเรือล่ อ, ลองลำแม่น้ําขงถามเรื่องนี้มันเป็นจังใดบุญเน่ยบากเนี่มันเป็นจังใดหลวงพ่อมหาสีจัน์ก็ที่บา้บานเฮ้ยบ้ถามกันนั่งเรือตั้งแต่หลวงพะบางจน ถ, ถึงโน่นถึงสีเชียงใหม่หลวพ่อมหาสีจันก็ขึ้นเจียง สี่ข่งมาโอ้พี่เทียนเลย้ยเจ้าเนี่ยที่มาถามอย่างเช่ยมาได้ดอกถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติธรรมอืมเอาเลยบปฏิบัติธรรมเลยเอาตั้งใจลราบัญถ้าอยากรู้เรื่องนี้จริงๆต้องมาปฏิบัติทําที่มาถามอย่างนี้มันบารู้ดอกเลยได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยกาบรบรรลุธรรมกับการเชิงโมนั่นนะ่ะ เรามาทําอยู่เนี่ยนะเป็นการทําบุญแท้ๆแล้วเนะี่ยละความชั่วทําความดีเนี่ยอสมบูรณ์แล้วพวกเรามายกมาสร้างจังหัดรู้สึกตัวเนี่ยนี่หละตรงนี้หละเป็นกรรมที่สมบูรณ์กรรมดีทําดีแล้วสุดกรรมทั้งหลายยอดแห่งการกระทําอำรู้สึกตัวรู้จึกตัวมันหลงเวลาใดก็มีความรู้สึกตัวมัน มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเรียกว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมสิ้นกรรมมันมาให้เราเปลี่ยนมันมาให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติชาติของเราแต่ก่อนมันเคยสุขชาติของเราแต่ก่อนมันเคยทุกข์ชาติของเราแต่ก่อนมันเคยโลภเคยหลงเคยมีความรักความชังเคยมีกิเลสตัณหามาเปลี่ยนมันให้มันไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกัวมีแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยนี่เนี่ย เอามันปัดดั้นนะสมน้ําหน้ามันมาเปลี่ยนเป็นความรู้จักตัวมาเปลี่ยนเป็นความรู้จักตัวนี่นี่คือของจริงมันจะเป็นมากเป็นผลเป็นยานเป็นฌานเป็นเรื่องหนึ่งแต่หน้าที่เรามาทําตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะเอาอยัางไงพวกเราไปหาที่ไหนอีกนะแต่ไปมุปหาที่ไหนไปแสวงหาบุญกุศลที่ไหน มันก็อยู่กับเราเนี่แหละเรามาพากันมาปฏิบัติเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมีอะไรก็แบ่งกันอยู่กันกินมีความเสมอกันอ่ารมีอะไรก็แบ่งปันอยู่แบบไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันนะอดูแลกันเนี่ยอันนี้นะใครมีความดูแลอะไรมามาที่นี่วางไว้ที่นี่ห้ามทุกข์ห้ามโกรธห้ามเบียดเบียนกัน จะได้ไหมล่ะฮแล้วมีคนเบียดเบียนกันไหมที่นี่ยล้วมีคนทะเลาะกันไหมหยุดสิมาจับมือจับม่เดินเชียงบ่าเชียงไหลกันช่วยกันไปวันไหนเมือล้าก็คอยกันจับขากันไปจับแขนกันไปช่วยเหลือประยุงกันไปอะไรเงเรียกว่ากันระยะนมิดเราจะเป็นไม่ได้หรือเราจะเป็นศัตรูกันมันไม่ใช่หรอเป็นกันระยะน้ำมิดอบอุ่นใจดีกว่าถ้าเป็นศัตรูกันโอ๊ย ปุ๊บฮอ่ามีเป็นกันรออยะยยาละมิ๊ซึ่งกันเลยกันนี่ปฏิบัติธรรมกันทุกคนเอาคนนั่นอยู่กะทิแล้วนั่นคนนี่อยู่กะทิหลังนี้อ่าแต่ไม่อะไรก็แบ่งกันไปจินเห็นพวกเรากินข้าวเห็นเอาอาหารเด็ดเลยอุ้ยมันมีความสุขนะมีความสุขมา ก, มา ก, มากนะคนที่ทําอาหารก็มีความสุขนะอย่าไรคิดโวยวายอ่ เราทำคนเดียวคนไม่ได้ช่วยเราเยอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทาดีแล้วไปทุกทาไมาช่วยคนอื่นได้เยอะคนไม่ทำก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดน้อยเนืน้อต่ำใจเราไม่ได้ช่วยอะไรบางคนยังเอาปัจจัยไปให้หลวงพอ่อไม่ได้ช่วยอะไรโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเชืนั่นให้มีโอกาสได้ทำความดีให้หลวงพ่อมีโอกาสได้ทาความดีให้หมู่พระสงฆ์ได้มีโอกาสได้ทำความดี ให้เหล่าพุทธบริษัทภิกษุภิกษุในอุบาสกบาจิกาได้ทำความดีความดีของเราก็ททำอยู่ตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเราละความชั่วเราทำความดีถือว่าเราช่วยโลกเแนบบี่ยอีกแรงหนึ่งนะเราได้ช่วยโลกแรงหนึ่งอ่านะตอนนี้ก็พอละวอากาบพระพ้อมกัน อรหังสมมาจัมมวตถะขะวะบดังขะวะดังขะวะดีสวากาโตภะวะตาธัมโมธรรมนัมตาโยปิปะโนขะวะโตยขะวะคังโกขังขังนั้น